หนังสือเรียนหลายๆเล่มก็จะบอกเราครับว่านิยามของอุณหภูมินะคือสิ่งที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้ผมเห็นนิยามนี้น ะ, ะผมชอบมากเพราะพอเรียนไปลึกๆเข้าเนี่ยผมไม่เข้าใจคาว่าอุณภูมิอีกเลยธรรมชาติของอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนมากซับซ้อนถึงขั้นที่ว่าทุกวันนี้มีคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับอุณภูมิอยู่มากมายหลายอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดที่เขาหาคําตอบกันอยู่อ๋อเรายังเรายังไม่ได้รู้จักอุณหภูมิดีขนาดนั้น 100% ยเยังไม่ถึงขั้นนั้น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 ว่าพลังงานอะไรที่ขับเคลื่อนให้เกิดใดๆในโลกโล้วนฟิสิกส์วันนี้นะคะอาจจะบอกได้ว่าเป็นตั้งแต่ความเย็นของแอร์ในสตูดิโอวันนี้นะคะไปจนถึงมื้อกลางวันที่ฟังเพิ่งกินไปฟืดผักอาหารใดๆก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นกาแฟสักแก้วหนึ่งที่ทำให้วันนี้เรามีแรงค่ะนอกเหนือไปจากแรงแฟชั่นของพี่ป๋องแปงแล้วนะคะก็ยังมีพลังงานอีกมากมายซึ่งความร้อนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหมือนกับแหล่งกาเนิด ของพลังงานเหล่านั้นด้วยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทอร์โมดินามิกส์ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นเองนะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟางรัตโรจิตพนาคา่ะและผมของแปงอัจวรรงจันทมาศครับพอฟังได้ยินชื่อของเทอร์โมดินามิกส์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเทอร์โมเดียวที่รู้จักคือเทอร์โมมิเตอร์เราอยากรู้ว่าเทอร์โมดินามิกส์เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมคะจริงๆแล้วอ๋อเกี่ยวเกี่ยวมาก เทอร์โมเนี่ยมันเป็ น, ปนคําที่สื่อถึงคําว่าความร้อนฮะดินามิกก็คือการดินามิกพลวัดการเปลี่ยนแปลงการ mm. เคลื่อนที่อะไรพวกเนี้ยมันก็คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติพฤติกรรมของความร้อนอุณหภูมิ mm. มันคืออะไรในทางรากฐานแล้วมันคืออะไรแล้วก็มันมีธรรมชาติพฤติกรรมมีกฎอะไรที่ควบคุมมันเราจะเอามันไปไประยุกต์ใช้อะไรได้บ้าง oh. อันนี้คือเทอร์โมดินามิกเทอร์โมมิเตอร์ก็คือมิเตอร์คือเครื่องวัดเครื่องวัดอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ ความร้อนเกี่ยวกับอุณหภูมิอะไรพวกนี้นะฮะจริงๆต้องบอกเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินั่นแหละแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเลยในเทอร์โมเดนามิกอันนี้เคยเรียนปะคิดว่าถือว่าเราคืนครูไปหมดเลยเทอร์โมเดนามิกเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องพื้นฐานมากในฟิสิกส์แบบคลาสสิกครับซึ่งกว่าเราจะได้ทาเนี่ยกูล่วงเลยมาถึงตอนที่อันนี้ตอนแบบเกิน50แล้วเนาะอะไรอย่างี้ประมาณ สาเหตุที่มันมาอยู่ช่วงเนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเรื่องที่สําหรับผมแล้วมันยากมากอบบจริงๆไม่ใช่สําหรับผมคนเดียวนะคือคนที่เรียนฟิสิกส์เรียนวิศวะเรียน อ, อ, อะไรก็ตามที่มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่บ้างเนี่ยจะต้องเรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเ <m ul 2> ทอร์โมบางทีมันก็จะเป็นวิชาชื่อชื่อบางอย่างที่ที่มีความเป็นเทอร์โมเช่น He ททรานสเฟอรหรืออะไรพวกเนี้ก็เกี่ยวกับความร้อนอุณภูมิอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ช่และอะไรพวกเนี้ยมันยากมาก ถามว่าทําไมมันถึงยากอทั้งที่จริงๆน้องฟางพูดมาตั้งแต่ตอนต้ตนว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยใครก็ใช้อื่ะไปหาหม อ, หมอคือวัดอุณภูมิอ่าก่อนอื่นเลยหมอวัดอุณภูมิก่อนเลยใช่ไหมยังไม่ทันทําอะไรเลยวัดอุณหภูมิบ้างอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับความร้อนเราเจออยู่ทุกวันกาแฟร้อนๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเนะมันไม่น่าจะยากใช่ไหมดูดูอยู่ในชีวิตประจําวันเยอะมากเลยใช่เรื่องเกี่ยวกับความร้อนอุณภูมิเนี่ยดูไม่น่าจะยากนะ ผมให้ลองคิดอย่างนี้ก่อนอุณหภูมิเนี่ยถ้าเราจะสร้างมาตรฐานของอุณหภูมิขึ้นมาเนี่ยครับน้องฟางว่าเราทํำยังไงมันทํายากไหมาตรฐานของอุณหภูมิคือสมมติว่าถ้าผมบอกว่าเราอยากจะสร้างมาตรฐานของความยาวเช่นความยาวหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีไม้สักแท่งหนึ่งที่กําหนดว่าเป็นมาตรฐานแล้วอะไรที่ยาวกว่านี้สองเท่าก็เรียกเป็นมันวัดได้ง่ายๆใช่ไหมคะก็แ ค, ค, ค่ยาวสองเท่าใช่ป่ะหรือ มวลนะฮะที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมเนี่ยอะไรที่มีมวลมากขึ้นสองเท่าก็ก็ก่อให้เกิดช่างดูมันก็มากกว่าสองเท่าคือมันมันดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรนนในเชิงเป็นสิ่งที่จับต้องได้เห็นชัดจับต้องได้แต่ถ้าผมบอกว่ามีน้าอยู่แก้วนึงเนี่ยเรียกว่าอุณหภูมิมาตรฐานเราจะทำให้น้ามีอุณหภูมิสูงกว่านี้สามเท่าสองเท่าทำยังไงเออเอาไปต้ม แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมากกว่านี้สองเท่าแล้วสามเท่าแล้วยากดังนั้นผมพูดได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เทอร์โม y ดนิมิกยากหนึ่งเลยเพราะว่ามันมีคอนเซปที่เป็นนมามธรรมที่ลึกซึ้งหลายอย่างนะครับแล้วก็อย่างที่2คือการประยุกใช้มันเยอะมากคือมันเป็นหนึ่งในฟิสิกส์ที่การประยุกใช้เยอะมากกระจายเต็มไปหมดทั้งอธิบายการทางานของเครื่องปรับอากาศไปจนถึง เครื่องจักเครื่องยนต์อะไรต่างๆการสันดาบเลยพวกนี้ใช้เทอร์โมหมดเลยแล้วก็ตัวแปรหลายอย่างเนี่ยชวนสับสนกับคำต่างๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันด้วยนะครับทีนี้สาเหตุที่ถึงความยากและทำไมเราเพิ่งมาทำอีตอนนี้เราก็บอกไปแล้วเนาะแต่ทีนี้ผมจะอยากชวนให้ทุกท่านแล้วก็น้องฟางมานึกดูว่าในเมื่อมันทำเป็นมาตรฐานยากเนี่ยคนที่สร้างเทอร์โมมิเตอร์คนแรกๆของโลกอ่ะคิดว่าเป็นใคร คันจะอยู่ในแวดวงอะไรที่เกี่ยวกับแบบทางวิศวะอะไรอย่างนี้ไหมค ะ, ะมันดูเป็นเครื่องยนต์กลไกลในการวัดอะไรบางอย่างไหมคนแรกๆเลยนะก็ถูกแต่คนแรกๆเลยนะที่พยายามจะวัดอุณห ภ, าภาูมิอย่างเป็นมาตรฐานให้ได้ ค, คือกาลิเลโอกาลิเลโอเขาแบบศึกษาไปครอบคลุมมากเขาแบบคิดไปหมดอะคนเนี้ยแต่แต่เราจะคุ้นว่ากาลิเลโอน่าจะแบบศึกษาทางดาราศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่แต่เขาสนใจกลศาสตร์ด้วยการตกวัตถุอะไรแล้วเขาก็ จริงๆสนใจธรรมชาติไปหมดนะเป็นอัจฉริยะที่เก่งไปหมดจริงๆการ์ลิเลโอเนี่ยพยายามสร้างสิ่งที่ใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์มากหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้มันดูเหมือนเป็นแท่งๆเป็นหลอดอะไรบางอย่างแล้วก็มีแก้วใหญ่ๆแล้วก็มีของเหลวอยู่ข้างในแล้วก็ในของเหลวนั้นเนี่ยก็จะมีกระปาะสีต่างๆอยู่อันนี้หาซื้อได้ตามเว็บออนไลน์ทั่วไปแล้วทุกคนนเรียกว่าอคาร์ลิเลโอเทอร์โมมิเตอร์โอผมเนี่ย เล่าเรื่องนี้ให้ให้น้องๆบางที่ฟังเขาก็บอกว่าเอ้ยบางคนเขาซื้อมาแต่งบ้านเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเป็นการิเลโอเทอร์โมมิเตอร์จะบอกเทอร์โมมิเตอร์ก็ไม่เชิงเพราะมันแค่เอาไว้วัดอุณหภูมิว่าตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้นหรือเย็นลงหรืออะไรแบบนี้อ๋อคือบอกค่าไม่ได้เป๊ะๆไม่ได้เทอร์โมมิเตอร์วันนี้บอกแบบเชิงเปรียบเทียบได้เท่านั้นก็กระป๋อเนี้ยมันจะทําหน้าที่ บอกอุณภูมิอากาศข้างนอกเชิงเปรียบเทียบ ว, ว่าอากาศตอนเนี้มันอุ่นขึ้นหรือมันเย็นลงอ่าแต่ว่ามันบอกค่าของอุณหภูมิอ่ะไม่ได้เป๊ะๆไม่ได้เป๊ะๆมันไม่เชิงเป็นเทอร์โมมิเตอร์มันเป็นพรีเท om อร์โมมิเตอร์อหลักการก็คือว่าถ้าอากาศภายนอกเนี่ยมันอุ่นขึ้นร้อนขึ้นนะอุณภูมิสูงขึ้นแล้วกันนะมันจะทําให้ของเหลวที่อยู่ข้างในกระป๋ะเนี่ยอุ่นขึ้นนิดหน่อยอแล้วพอมันอุ่นขึ้นเนี่ยมันก็จะขยายตัวนะของเหลวนี่มันขยายตัวพอมันร้อนขึ้นนะครับ ทีนี้พอมันร้อนขึ้นขยายตัวตัวมันก็เป็นไงมันก็จะความหนาแน่นลดลงพอความหนาแน่นลดลงกระเปาะที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะจมลงมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอุณหภูมิภายนอกอุ่นขึ้นร้อนขึ้นก็จะยิ่งทําให้กระเปาะที่อยู่ข้างในเนี่ยค่อยๆทยอยจมลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละกระเปาะทีละกระเปาะในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยเย็นลงนะครับไอ้เจ้าของเหลวข้างในเนี่ยก็จะเป็นไงหดตัวแน่นขึ้น ไอของที่อยู่ข้างในก็จะค่อยๆทยอยลอยขึ้นทีละนิดทีละนิดใครที่มีอยู่ก็ลองเอาไปเล่นได้จริง ๆ, ๆเผมก็อยากเอามานะแต่ว่ากลัวแตกวิธีทําให้มันอุ่นขึ้นก็ไม่ต้องไปรออุณหภูมิมันร้อนขึ้นเอาได้เป่าผมลองเป่าเบาๆดูก็ได้ก็จะม <ทด S 1> ีการ<อ>เปลี่ยนแปลงเลยใช่นะครับคุณครูก็ลองเอาไปเล่นให้เด็กดูได้อเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะค่ะแต่ว่าคุณกาลิเลโอเนี่ยเริ่มจะเหมือนกับปูพื้นให้เราเห็นแล้วว่ามันสามารถวัด ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ไดผ่านอุปรกรณ์ตัวนี้และนักฟิสิกในยุคต่อมาเนี่ยก็เริ่มสร้างเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นแต่ความวุ่นวายในโลกของอุณหภูมิเนี่ยมันทำให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเต็มไปด้วยสเกลเต็มไปหมดเลยเคยได้ยินชื่อวิธีวัดอุณหภูมิเป็นอะไรบ้างเราได้ยินองศาเซลเซียสเนี่ยแน่นอนองศาฟาเรนไฮฟาเรนไฮอะไรอีกมีแฟรงกินเคยได้ยินไหมไม่คุ้นค่ะมีสเกลนิวตัน มีสเกลโรเมอร์โอ้เยอะเลยแต่ไม่หมดเลยสับสนปั่นป่วน <c oughs> เพราะ อ, อุณหภูมิเนี่ยอย่างที่บอกเอาเซลเซียสที่เราคุ้นเคยนะครับเซลเซียสมาจากไหนเราเราสร้างสกเกลนี้ยังไงรู้มะมันคืออุณหภูมิที่ตอนน้ําเนี่ยนะฮะที่สภาวะที่เขาเซตไว้นะถ้ามันเป็นถึงจุดเยืออแข็งคือเริ่มเป็นน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกอุณหภูมินี้ว่าศูนย์แล้วพอน้ํามันเริ่มเดือดนะฮะก็จะเรียกว่าร้อยจากนั้นก็ซอยระหว่างเนี้ย ออกเป็นร้อยส่วนเท่าๆกันอ๋อ oh, คือว่าจากตอนที่เยือกแข็งกับตอนที่เดือดใช่แซอยตรงกลางใช่อ๋อ oh. แต่ทีนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็ทําเหมือนกันะนะแล้วก็มีใช้สาสารด้วยมาตรฐานอะไรต่างๆด้วยวิธีการต่างๆในการนิยามอุณหภูมิขึ้นมาเนาะอ่าแต่จะเห็นว่าอุณหภูมิด้วยนิยามแบบนี้เนี่ยมันมันมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะเช่นมันจะต้องอิงกับสาสารหรืออะไรพวกนี้มันฟังดูไม่เป็นสากลหลังๆพอเราเรียนรู้เทอร์โมเดนามิก มากถึงจุดหนึ่งเนี่ยเลยเกิดหน่วยอุณหภูมิที่เรียกว่าเคลวินค่ะเคยได้ยินปะคุ้นคุ้นค่ะหน่วยอุณหภูมิเคลวินจะไม่มีคําว่าองศาแล้วเขาเรียกอุณหภูมิสมบูรณ์นะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับธรรมชาติของอุณหภูมิมากๆตรงนี้ก็ไปหาอ่านไปหาเรียนกันนะครับเรื่องอุณหภูมิเคลวินแต่ก่อนจะไปเรื่องต่อไปเนี่ยเราพูดถึงการวัดอุณหภูมิมาละอุณหภูมิคืออะไรอุณหภูมิคือความรู้สึก คืออะไรบางอย่างที่กระทบกับเความรู้สึกของเราว่ารู้สึกอย่างไรมั้งเคยเคยนั่งอยู่ในห้องห้องนึ่งไหมแล้วบางทีเรารู้สึกว่าตอนเนี้เราหนาวอืแต่เพื่อนบอกก็ไม่ได้เย็นอะไรมากคือเคยเป็นอะไรแบบนี้ไหมเป็นอยู่เลยทุกวันนี้ที่ออฟฟิศเราตกลงค่าองศาเซลเซียสของแอร์กันไม่ได้สักทีว่าจะเอาเท่าไหร่ใช่ปะคนหนึ่งหนาวคนนึงไม่หนาวเราใช้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องวัดที่ไม่ตรงเลย บางวันก็อย่างหนึ่งบางวันก็อย่างหนึ่งดังนั้นมันต้องมีนิยามที่ดีพอค่ะหนังสือเรียนหลายๆเล่มก็ะจะบอกเราครับว่านิยามของอุณหภูมินะลุ้นมากคือคือสิ่งที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้เอางี้เลยโอเคถูกต้องอืมผมเห็นนิยามนี้น ะ, ะผมชอบมากเพราะพอเรียนไปลึกๆเข้าเนี่ยมผมไม่เข้าใจคาว่าอุณหภูมิอีกเลยเพาะว่านิยามนี้โ okay. อเคแล้วเขาก็บอกว่านิยามเนี้ยเขาเรียกว่า นิยามเชิงปฏิบัติการค่ะคือเราอยากรู้อุณภูมิว่ามันคืออะไรมีเลขเท่าไหร่อืมก็วัดเอาวัดเอาอืมแล้วก็นิยามนี้ไปเลยคือสิ่งที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้เอาแบบนี้ไปก่อนเบื้องต้นโอเคแฮปปี้ไหมแฮปปี้อย่างนี้โอเคค่ะแต่ทีนี้มันก็จะมีคําถามละเราคุยกันเรื่องอุณหภูมิคุยกันเรื่องเทอร์โมมิเตอร์แล้วเทอร์โมดินามิกส์เนี่ยมาเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนความเย็นอะไรอย่างไงคะพี่บงเปโอเคคือเทอร์โมดินามิกเนี่ย มันก็เป็นศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติของความร้อนละเอียดมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจว่านิยามเชิงปฏิบัติการเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้หลายอย่างเหมือนกันนะคือผมยกตัวอย่างเช่นการที่เทอร์โมมิเตอร์มันจะไปวัดอุณห ภ, ภูมิของสมมติว่าเราอยากรู้ว่ากาแฟแก้วนี้ร้อนเท่าไหร่<ฆ>แล้วก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจุ่ม<ฆ>แล้วตัวสเกลเนี่ยมันก็จะค่อยวิ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะจะจะเห็นว่า มันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของอุณหภูมิดีเท่าไหร่เลยเราอยากจะรู้ลึกกว่าแค่ว่ามันร้อนเท่าไหร่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นการลบพัวระบบเล็กน้อยเสมอหมายถึงว่าเทอร์โมมิเตอร์ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้อุณหภูมิเท่ากับแก้วกาแฟร้อนๆพอเราเอาไปจุ่มแก้วกาแฟเนี่ยจะสูญเสียความร้อนเข้ามาที่เทอร์โมมิเตอร์นิดหน่อยค่ะจนกระทั่งมันอยู่ในสมดุลความร้อนอเราไม่ได้วัดอุณหภูมิก่อนที่เราจะวัดแต่เราวัดอุณหภูมิตอนเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจุ่มเสมอ ะะแล้วก็หลักการของเทอร์โมมิเตอร์ต่างๆก็จะเป็นแบบนี้คืออาศัยการเข้าไปจุ่มด้วยระยะเวลาที่นานพอจนอยู่ในสมดุลแล้วก็วัดสเกลออกมาแปล ว, ว่าอุณหภูมิที่เราวัดได้จริงๆก็รวมค่าของไอตัวเครื่องเทอร์โมมิเตอร์เข้าไป ด, ด้ว ย, น, ยนิดหน่อยนิดหน่อย แ, แต่ก็ถือว่าหยุนหยวนน ะ, ะใช่แต่ทีนี้ต้องฟางถามว่าแล้วเทนะอร์โมดินามิกเนาะมันศึกษาเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิความร้อนอะไรพวกนี้คือตัวแปรหลักๆที่เรามักจะต้องพูดคุยให้ชัดเจนในเทอร์โมดินามิกเนี่ย มันจะมีอยู่3าตัวหลักๆอุณหภูมิซึ่งคือสิ่งที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้2คือความร้อนและ3ก็คือพลังงาน3 ม, มอย่างนี้เป็นสิ่งที่คนเรียนเทอร์โมเดนามิกเนี่ยเมามากบางทีก็สลับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะบางทีคำพวกนี้มันอยู่ในชีเิตร์จำวันก็มักจะเผลอใช้สลับกันบ่อยๆะะ แ, แล้วอย่างความร้อนมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุณหภูมิหรอคะคือเอางี้ก่อน อุณหภูมิเน so ี <erfolgreich> ่ยคือสิ่งท <and January> ี่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้อันนี้เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการแต่อุณหภูมิเนี่ยธรรมชาติของสิ่งที่มีอุณหภูมิสูงอ่ะกับสิ่งที่มีอุณหภูมิต่ําเนี่ยยังมีบางอย่างที่แตกต่างกันมากไปกว่าแค่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้นะเช่นอะไรที่อุณหภูมิสูงเนี่ยอนุภาคที่อยู่ข้างในก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเร็วนะครับเร็วมากอะไรที่อุณหภูมิต่ําอนุภาคข้างในก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเชื่อง้าอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับพลังงานภายในของ ธรรมชาติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของอุณหภูมิคืออะไรก็ตามที่อุณหภูมิสูงเนี่ยนะฮะมันมีแนวโน้มที่จะถ่ายเทพลังงานออกมาสู่อะไรที่อุณหภูมิต่ำกว่าถ้ามันมาแตะกันนะได้เองอโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน ม, มันจะเป็นของมันเองค่ะอันนี้ฟังดูเบสิกนะเช่นแก้กาแฟร้อนๆเนี่ยเราเอามือไปจับมันเนี่ยมือเราที่เย็นกว่าไอ้เจ้าแก้วกาแฟเนี่ยอุณหภูมิมันสูงกว่ามือเรามันก็มีแนวโน้มจะถ่ายทอด พลังงานออกมาได้เองพลังงานที่มันถ่ายออกมาเองแบบนี้เขาเรียกความร้อนค่ะหรือ heat เข้าใจแล้วนึกออกไหมแต่พลังงานถ้ามันไม่ได้ถ่ายทอดจากต้นกำเนิดที่เป็นเรื่องของอุณภูมิที่เป็นผลต่างอุณภูมิอะไรแบบนี้เขาจะไม่เรียกว่าความร้อนเขาจะเรียกงานหรือ work เช่นถ้าเราไปอัดกระบอกสูบนะฮะการอัดกระบอกสูบหรือตอนเราปั๊มลมจักรยานเงี้ยค่ะแล้ว จู่เรารู้สึกว่าพออัดกระบอกสูบเนี่ยตัวกระบอกสูบหรือตัวล้อจักรยานมันอุ่นขึ้นอย่างเนี้ยการที่เราถ่ายเทพลังงานให้กับตัวกระบอกสูบแบบนีด้ด้วยแรงของเราอัดเข้าไปอย่างเนี้ยเขาเรียกเราทํางานให้กับระบบกระบอกสูบไม่ใช่ไม่ใช่ h e a หรือความร้อนอเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายเท อ, อุณหภูมิไปถึงมันแต่ว่าเราใช้ใชไม่ได้เกิด<ล>จากพลังานะอุณหภูมิถ้ า, าพลังงานมันเกิดจากการถ่ายเท ความร้อนนะฮะมันจะต้องเกิดจากผลต่างอุณหภูมิแล้วมันปล่อยของมันเองเข้าใซึ่งมันจะมีสามแบบอเคยเรียนไหมเล่าเลยค่ะซึ่งมันก็มีอการนําความร้อนการพาความร้อนการแผ่รังสีความร้อนออดีใจไหมคุณคุณนะจำหน้าคุณครูได้อ่ะผมจะพูดเร็วๆแล้วกันเพราะเพื่อเพื่อไม่ให้ไปแย่งหน้าที่คุณครูคุณครูจะได้จะได้ไม่ต้องเปิดรายการเราแล้วก็แช่ไปเลยนําความร้อนนี่ก็คือการที่เราเอาอนุภาคอะไรสักอย่างนะฮะเช่นเอาเหล็กก็ได้ไป ปลายด้านหนึ่งเอาไปเผานะแล้วสุดท้ายเหล็กเนี่ยค่อยๆร้อนทั่วกันทั้งแท่งเหล็กเนี่ยค่ะนะความร้อนเนี่ยค่อยๆถูกนํามาจากปลายด้านที่ร้อนกว่ามายังด้านที่เย็นกว่าได้เองค่ะถูกไหมอืมอ่าโดยที่ตัวเหล็กเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่อะไรเลยอือืตัวกลางเนี่ยอยู่นิ่งๆของมันที่เราเห็นมันมันอยู่นิ่งๆมันอาจจะมีการถ่ายทอดภายในของมันนะครับแต่ว่าโดยที่เราเห็นมันอยู่นิ่งๆอันนี้เขาเรียกว่าการนําความร้อนค่ะนะครับกระทะ อย่างเงี้ยตอนแรกเราเอาไปใส่เปลวไฟตรงตูดมันตูดกระทะอ่ะแล้วสักพักมันเริ่มร้อนไปทั่วอย่างเงี้ยอันนี้นําความร้อนตัวกระทะไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะฮะมันมันนําความร้อนจากตรงกลางค่อยๆกระจายความร้อนออกมาเองจากตรงตรงที่อุณหภูมิสูงมายังจุดที่เย็นที่อุณหภูมิต่ํากว่าต่อไปคือการพาความร้อนการพาความร้อนก็คือการที่ถ่ายเทพลังงานแบบที่ตัวกลางมันวิ่งมาด้วยเช่นตอนที่อากาศด้านหนึ่งมันร้อนมากแล้ว มันมีลมร้อนๆมาไหลเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็คือการพาความร้อนโดยที่ตัวกลางเนี่ยมันเคลื่อนมันมาด้วยนะเช่นตอนที่เราเอาน้ําไปต้มอย่างเงี้ยอืน้ําด้านล่างเนี่ยมันมันอุ่นพอมันอุ่นขึ้นมันก็ขยายตัวแล้วมันลอยพอมันลอยขึ้นมาด้านบนก็ค่อยๆร้อนตามอย่างงี้คือน้ํามันมันเกิดกระแสไหลวนนะอย่างงี้คือมันพาขึ้นมาตัวกลางของน้ําขยับอืไอตัวแรกมันไม่ขยับ อย่างที่3มก็คือการแผ่รังสีไอ้แบบนี้ไม่ต้องมีตัวกลางอะไรเลยเช่นจากดวงอาทิตย์ที่อุณหภูมิสูงมากนะฮะแล้วมันถ่ายเทความร้อนมายังโลกของเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการแผ่รังสีมายังโลกของเราสามแบบนี้คือเรื่องของความร้อนซึ่งความร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่ศึกษากันมาโดยตลอดว่าตัวตนแท้จริงของมันคืออะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทอร์โมเดนามิกเนี่ยศึกษามาโดยตลอดนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของงานอย่างที่บอก การถ่ายเทพลังงานเนี่ยบางทีก็จะใช้เรื่องของงานในการถ่ายทอดพลังงานก็ได้เช่นใครเรียนเทอร์โมก็จะรู้ว่าเราชอบยกตัวอย่างกับกระบอกสูบเหลือเกินนะมันจะเป็นกระบอกสูบคุณครูวาดกระบอกสูบตลอดผมวาดกระบอกสูบหลายสิบกระบอกอเหตุผลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่แปลว่าไอ้ตัวกระบอกสูบเนี่ยมันเห็นชัดสุดเหรอคะเห็นภาพชัดสุดเป็นเครื่องจักรที่ง่ายที่สุดแล้วกันนะคือตัวมันไม่ได้มีกลไกซับซ้อนมีแค่ ส่วนที่เป็นกระบอกแล้วก็ลูกสูบอัดแก๊สเข้าไปแล้วก็ดูพฤติกรรมของมันว่าแก๊สเนี่ยจะเป็นยังไงจะอุ่นขึ้นเย็นลงปริมาตรเพิ่มขึ้นลดลงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็พบเห็นกระบอกสูบได้หลายอย่างในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอยู่ในลูกสูบของรถยนต์อะไรเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกระบอกสูบอย่างหนึ่งในเทอร์โมนะอแม้ว่ากลไกในกระบอกสูบในรถยนต์มันจะซับซ้อนมากมันจะมีการจุดระเบิดจุดอะไรพวกเนี้ยแต่หลักการวิเคราะห์เราอาจจะนำเทอร์โมดินามิกแบบกระบอกสูบทั่วไปไปใช้ได้ แต่ผมย้อนกลับมาที่ว่าทําไมเวลาอัดกระบอกสูบแก๊สโดยทั่วไปนะฮะถ้ามันถูกอัดเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นค่ะคิดว่าเพราะอะไรมันเป็นเรื่องเบสิกมากมันอุ่นขึ้นนะอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นโดยทั่วไปโอทําไมเหรอคะการที่เราอัดเข้าไปมันน่าจะเกิดการที่เราไปบีบหรืออะไรมันที่ทําให้มันแน่นขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมใช่แต่ระยะหลังๆมาเนี่ยเทอร์โมเดินามิกเนี่ยนอกจากเราจะเรียน ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความร้อนพลังงานอุณหภูมิะอะไรพวกนี้นะครับเรามักจะวิเคราะห์มันถึงในระดับโมเลกุลเลยเว่าอ๋อแก๊สมันมีองค์ประกอบเล็กที่สุดเป็นโมเลกุล น, นะ อ, อะหรืออาจจะเป็น เ, เป็นอะตอมเดียเด่ยวๆหรือแล้วแต่แก๊สนะฮ ะ, ะทีนี้ถ้าเราศึกษาธรรมชาติของแก๊ดดีพอเนี่ยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติหลายอย่างในปรากฏการที่เกี่ยวกับความร้อนอลองนึกภาพเรามีผนังอยู่แล้วผนังอะ่ะแล้วเราคว้างลูกบอลอัดผนังออื โดยทั่วไปถ้าลูกบอลมันเป็นลูกบอลเด้งดึงลูกบอลยางอะครับคว้างเข้าไปความเร็วตอนเด้งกับตอนที่ออกก็ประมาณได้ว่ามันเท่ากันนึกนึกออกมาค<า>่ะอ่ืหรือดอกลูกลูกบาระดอะคว้างลงไปปุ๊บเด้งขึ้นมาโอเคมันสูญเสียพลังงานแหละแต่สมมุติว่าเสียน้อยมากาก็เข้ากับออกก็ประมาณเท่ากันอแต่ทีนี้ถ้าผนังมันเคลื่อนเข้ามาสวนสวนไอ้เม็ดที่ชนจะเป็นยังไงคําตอบก็คือเหมือนเราตีปิงปองอะครับตีใส่เพื่อนอะตีไปอะลูก อนุภาคที่วิ่งออกไปก็จะเร็วขึ้นถูกป่ะเพราะตอนแรกมันวิ่งเข้ามาสมมติวิ่งเข้าด้วยความเร็วสิอย่างเงี้ยเราตีสวนเข้าไปมันอาจจะออกเป็นยี่สิบก็ได้กระบอกสูบก็เหมือนกันมันทําหน้าที่คล้ายๆกับไม้ปิงปองอะอัดเข้าไปแก๊สที่วิ่งเข้ามาก็เหมือนกับถูกชนอยู่บ่อยๆเลยแล้วมันก็ถูกรูปปิงปองอะตีออกไปตีออกไป ม, มันก็มีความเร็วสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยแนวโน้มแล้วมีความเร็วสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ทําให้กระบอกสูบข้างในเนี่ยมีแก๊สที่ ยิ่งผ่านไปยิ่งอัดเข้าไปยิ่งอัดเข้าไปมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอุณหภูมิก็สูงขึ้นแปลว่าการวิ่งเร็วขึ้นของตัวโมเลกุลเนี่ยกระทบต่ออุณหภูมิใช่มันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิโดยทั่วไปเลยนั่นแหละแลึกซึ้งไหมลึกซึ้งการทํางานของกระบอกสูบทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เทอร์โมดินามิกสศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการทําความเข้าใจธรรมชาติของแก๊สและความร้อนและงานว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรใช่เช่น ธรรมชาติของแก๊สเนี่ยถ้าเราลดปริมาตรมันความดันจะเป็นอย่างไรอุณหภูมิจะสูงขึ้นเท่าไหร่มันก็นํามาซึ่งสมการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของแก๊สน่ากลัวมากอันนี้ก็เรียนเรียนกันไปนะครับสมการของแก๊สอุดมคติอะไรพวกเนี้นะฮะมันก็ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของแก๊สพอเข้าใจธรรมชาติของแก๊สผ่านธรรมชาติของความร้อนธรรมชาติของแก๊สก็นํามาทําให้เราเข้าใจความร้อนขึ้นไปอีกอะไรพวกนี้และถ้าเราเรียนลึกไปถึงจุดหนึ่ง เราจะพบกับสมการนี้อุ้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรคะเนี่ยตัว S เนี่ยคือ entropy คุณนๆไหมสมการเนี้ยทางซ้ายเนี่ยป็นหนึ่งส่วน T T ก็คืออุณหภูมิค่ะนะครับ temperature ใช่ temperature เนี่ยคือนิยามของอุณหภูมิที่เกิดจากเชิงเชิงเชิงร t i c a l เชิงทฤษฎีอธิบายผ่านสิ่งนี้ใช่คือแรกๆเนี่ยหนังสือเรียนก็จะบอกว่าคือสิ่งที่เทอร์โมมิเตอร์วัดได้ไปก่อน ให้เราแบบอ๋อโอเคพอเรียนไปเรียนไปอ่ะอ๋อนิยามกันอย่างเนี้ดีแล้วค่ะที่เราอธิบายแบบตอนต้นรายการไปก่อนอใช่ไหอลึกซึ้งแล้วธรรมชาติของอุณหภูมิผ่านสมการนี่เป็นอย่างไรก็ไปเรียนในห้องกันละกันเอาไปว่าจะเห็นได้ว่าธรรมชาติของอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนมากซับซ้อนถึงขั้นที่ว่าทุกวันนี้มีคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับอุณหภูมิอยู่มากมายหลายอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดที่เขาหาคําตอบกันอยู่อ เรายังเรายังไม่ได้รู้จักอุณหภูมิดีขนาดนั้นร้อยปอร์เซ็นังไม่ถึงขั้นนั้น mm. เช่นถ้าเรามีแก๊สอยู่กล่องหนึ่งเราวัดอุณหภูมิของแก๊สเนี่ยได้ค่าหนึ่งแล้วถ้าเราเคลื่อนที่เร็วสูงเข้าใกล้ความเร็วแสงเนี้ยอุณหภูมิในกล่องเนี้ยของแก๊สในกล่องเนี้ยมันจะเท่าเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลง mm. อันนี้ก็ยังถกเถียงเป็ น, mm. เ, ปนเป็นประเด็นเหมือนกันอ mm. mm. นึกออกไหม mm. Mm. Mm. ในขณะที่การเคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อปริมาณที่เราวัดได้เนี่ย <'s> มันอยู่ในขอบเขตทฤษฎีสสัมพัทธภาพพิเศษ ซึ่งปริมาณเกี่ยวกับความยาวเวลาอะไรพวกนี้เขารู้หมดแล้วว่ามันจะเปลี่ยนยังไงแต่อุณภูมนี่ยังเถียงกันอยู่<ฆ>ถึงปี2 0ง3ก็ยังเถียงกันอยู่<อ>ว่าออพอเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเราจะเห็นอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วก็อุณหภูมิของสิ่งปแปลกๆอย่างหลุมดำเนี่ยสรุปมันวัดยังไงแล้วก็ควรจะมีค่าเท่าไหร่ในเชิงทฤษฎีอันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในคําถามที่ถกเถียงกันอยู่เหมือนกันคือมันมีทฤษฎีหลักแหละแต่มันก็มีสิ่งที่มีคนโต้แย้งมีอะไรต่างๆกันนะครับจะเห็นว่า อุณหภูมิเนี่ยแค่นี้ก็ยากแล้วผมมักจะพูดเสมอซึ่งไม่ใช่เรื่องติดตลกนะแต่เป็นเรื่องจริงคือก่อนเรียนเทอร์โมอ่ะผมเข้าใจว่าอุณหภูมิคืออะไรพอเรียนจบไปแล้วอ่ะผมไม่เคยเข้าใจอุณหภูมิเลยอื ม, มันเป็นอะไรที่นั่นะแหละซับซ้อนแต่ก็สนุกดีนะอือ <laughs> เหมือนเหมือนพอลงลึกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เหนือกว่าที่เราจะเข้าใจมันได้อย่างเรียบง่ายเหมือนเดิม ด้วยการแบบใช้แค่ความรู้สึกหรือว่าใช้แค่แบบว่าสิ่งที่เราเผชิญในชีวิตประจำวันเอาแต่นักฟิสิกส์ที่เขาเก่งๆเขาก็บอกมันเรียบง่ายนะอนะครับแต่โอเคสุดท้ายน้องฟางมักจะพยายามถามผมเสมอว่ากระบอกสูบเกี่ยวอะไรกับ thermo การวัดอุณหภูมิเกี่ยวอะไรกับท h e r m o เอาเป็นว่านะครับผมกล่าวสรุปไว้ตรงนี้เลยว่าผลพวงของการศึกษาเรื่องแก๊สกระบอกสูบการวัดอุณหภูมิ thermometer อะไรต่างๆเนี่ยหนึ่งในสิ่งสําคัญมากๆที่ทําให้ เทอร์โมเดนิมิกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากน ะ, ค, ะคือการสร้างกฎฟิสิกส์ที่เรียกว่ากฎเทอร์โมเดนิมิกขึ้นมามซึ่งเป็นกฎที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะแปลว่ามันมีมันมีเหมือนหลักการพื้นฐานที่พิสูจน์ได้แล้วใช้ได้กับออการศึกษาอื่นๆได้หมดเตไปหมดเลยแล้วก็ไม่ถูกล่วงละเมิด น, นะฮะเป็นกฎที่สตรองมากแล้วก็เป็นกฎที่เขาเรียกว่า เกิดจากการสังเกตการนับไม่ถ้วนมากมายของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ที่เขาลองผิดลองถูกค้นพบกันมาตลอดออยากรู้เลย<ม>อยากรู้เลยว่ามันมีกฎอะไรบ้างพี่บมเอากว้างๆคร่าวๆนะคะกฎข้อหนึ่งของเทอร์โมเดนามิกเนี่ยเป็นกฎที่หลายๆคนก็จะเรียก ว, ว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานเคยได้ยินไหมคือพลังงานเนี่ยเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนเป็นรูปแบบต่างๆแต่มันจะไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในเอกภพหรือระบบปิดอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถสร้างพลังงานให้ จากเดิมมีอยู่10หน่วยให้เพิ่มเป็นยีอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะเปลี่ยนจาก10เป็นเป็นสินี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยจะทําให้พลังงานเปลี่ยนรูปได้แต่มันจะไม่สามารถที่จะเพิ่มจํานวนขึ้นลดจํานวนลงได้พลังงานในระบบปิดอย่างหนึ่งมันเท่าเดิมรหรืออย่างเอกภพของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกเอกภพแล้วใช่ปะ่ะดังนั้นพลังงานในเอกภพเนี่ยจะไม่ถูกสร้างขึ้นใหม่สูกสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ทําให้ทําลายให้หายลดลงไปก็ไม่ได้เข้าถึงเรียกว่ากฎการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์ไว้เท่าเดดิมตล มันพอจะมีตัวอย่างอะไรที่ทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นได้ไหมคะสมมุติว่าผมโยนลูกบอล น, นะครับลูกบอลอยู่ในมือนะโยนขึ้นไปพอหลุดจากมือผมเนี่ยลูกบอลมีความเร็วมันมีพลังงานค่าหนึ่งที่เป็นความเร็วเรียกพลังงานจนสักพักมันค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงไปถึงจุดสูงสุดของมันนะจุดเนี้ยพลังงานหายไปไหนละความเร็วคําตอบก็คือมันกลายเป็นพลังงานสัตว์โน้มถ่วงสะสมไว้ พลังงานศักดิ์ที่พร้อมจะปลดปล่อยออกมามพลังงานศักด์ก็มีหลายรูปแบบนะก็เราดึงหนังยางอย่างเงี้ยมันก็มีพลังงานศักด์สะสม ใ, ในหนังยางอันนี้ก็เป็นพลังงานศักดิ์ที่อยู่ในลูกบอล น, นะฮะความโน้มถ่วงมันทําให้มันพร้อมจะปลดปล่อยพลังงาน ม, ามันมันสโตเก็บไว้แล้วพอปล่อยไปสักพั่นึมงมันก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นรถตกกลับลงมาที่เดิมด้วยความเร็วเท่าเดิมพลังงานมันเปลี่ยนรูปตลอดแต่ไม่เคยเพิ่มไม่เคยลดอืถึงถึงแม้ว่ามันจะ หยุดความเร็วไว้ที่ค่าหนึ่งแต่มันไม่ได้พลังงานของมันไม่ได้ไไดหายไปมันกลายเป็นพลังงานศักโน้มถ่วงพอตกกลับลงมาอืแล้วก็หยุดอ้าวไปไหนอ่ะมันกระจายออกมาเป็นพลังงานของเสียงบ้าง<อ>เป็นความร้อนบ้าง<อ>าแล้วถ้าวัตถุมันแตกกระจายออกมาพลังงานนั้นก็ถูกใช้ในการเปลี่ยนรูปร่างของมันมันไม่หายไปไหนมันเปลี่ยนรูปอืลูกบอลสมมุติผมเตะลูกบอลออกไปบนพื้นพื้นหญ้าพื้นสนาม ลูกบอลที่หลุดจากเท้าผมก็มีความเร็วมีพลังงานจนอแล้วกลิ้งไปกลิ้งไปมันก็ค่อยหยุดเอา้าพลังงานหายไปไหนมันเสียดสีกับหญ้าการเสียดสีเนี่ยกลายเป็นความร้อนหญ้าเหล่านี้สั่นดิกดิ๊กดิกอุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่น้อยจริง<ๆ>แต่ก็สะสมเข้าสะสมตัวมันก็ค่อยช้าลงช้าลง<ฆ>ช้าลงช้าลงกลายเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในอุณหภูมิของระหว่างทางพวกนี้พวกนี้คือ พลังงานมันไม่หายไปไหนเลยค่ะมันอยู่ตลอดค่ะซึ่งกฎข้อหนึ่งเนี่ยทําให้เรารู้ว่าเครื่องจักรนี้รันไม่มีวันเป็นจริงเราไม่มีทางสร้างเครื่องจักรที่ไปเขี่ยมันนิดเดียวแล้วมันจะหมุนแบบโอ้ปั่นไฟให้เราได้ตลอดคือมันมาเรื่อยๆเลยอะทุกวันเนี้ยผมยังมีคนส่งอินบ็อกซ์เข้ามาตลอดมาถามตลอดเครื่องจักรนี้เป็นไปได้จริงไหมครับเขาทําแล้วมันได้ไม่ได้มันผิดกฎเทอร์โมเดนิมิกข้อที่หนึ่งซึ่งเขาพิสูจน์กันมาแบบโอ้โห มันไม่มันไม่มีทางผิดอ่ะมันเป็นกฎฟิสิกส์หมายความว่าไม่มีไม่มีอะไรที่จะแบบสร้างพลังงานได้แบบไม่จํากัดอย่างนี้เหรอคะใช่หรือหรือสร้างพลังงานขึ้นมาจากศูนย์ก็ไม่ได้คือพูดง่ายๆนะครับมันไม่มีพลังงานที่ได้มาฟรีๆอ่ะต้องแลกด้วยพลังงานอะไรบางอย่างก็ต้องเปลี่ยนพลังงานบางอย่างนะฮะแม้เทอร์โมเดน믹มันจะมีศัพท์เขาว่าฟรีเอเนจีนะไอแบบนั้นก็ไช่างช่างหัวมันมันเป็นแค่ชื่อเองแต่เอาหมายความว่าพลังงานจริงๆไม่มีทางที่จะ สูญหายไม่มีทางจะสร้างขึ้นใหม่เนี่แหละคือกฎของเทอร์โมเดนิมิซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากมและไม่มีทางถูกล่วงละเมิดเลยอค่ะพอจะเห็นภาพของข้อที่หนึ่งมากขึ้นนิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าเออเริ่มเข้าใจว่ามันคืออะไรเนา ะ, นะะแต่มันมีอีกข้อหนึ่งนะใช่นกฎข้อที่2ของเทอร์โมเดนิมิกกฎข้อที่2เนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากใจนิดหนึ่งคือมันเป็นกฎที่ตอนเรียนก็จะพบว่าเป็นกฎที่เข้าใจค่อนข้างยากอยู่แล้วแล้วก็ ตัวมันเนี่ยมีถ้อยแถลงที่เขาเรียกสเตตเมนต์ได้หลายแบบแต่ละแบบนี่พูดเรื่องเดียวกันหมดเลยอือจะพูดไม่เหมือนกันเลยแต่พูดเรื่องเดียวกันเนี่ยหรออ๋อถูกโอ้อยากรู้เลยค่ะเช่นนะฮะกฎข้อที่สองของ thermo dynamic นะความร้อนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะไหลจากจุดที่อุณหภูมิสูงไปสู่จุดที่อุณหภูมิต่ําได้เองออืเข้าใจง่ายไหมค่ะอ่ะอันนี้ก็จบไปใช่ปะเนี่ยคือกฎข้อสองมันจะไหลได้เองของมันออืจบ แต่ตอนเรียนไม่จบเพราะว่าเราต้องเรียนรู้สเตทเมนต์แบบอื่นด้วยที่มันที่มันสอดคล้องกับสเตทเมนต์ข้อแรกคื อ, อพูดอย่างเดียวกันแต่ว่าพูดไม่เหมือนกันแบบที่สองที่พูดแบบเดียวกับอย่างแรกน ะ, ะกฎข้อที่สองของ odynamic, เทอร์โมดนามิกล้วอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าเครื่องจักความร้อนเนี่ยไม่มีทางที่จะมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นการพูดเรื่องเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนเดิมละ มองจากคนละมุมใช่ ม, มุมเครื่องจัดความร้อนเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึ่งในเื่องช่างเทอร์โมเนี่ยไม่พูดเรื่องเครื่องจัดความร้อนก็ไม่ได้เครื่องจัดความร้อนเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือฮีตเอนจินนะครับเป็นเครื่องจับที่ปกติแล้วสมมุติว่าด้านบนเนี่ยอุณหภูมิสูงมากนะฮะเป็นเป็นจุดที่ที่อุณหภูมิสูงแล้วตรงเนี้ยอุณหภูมิต่ํามากความร้อนก็จะไหลจากจุดที่อุณหภูมิสูงมายังอุณหภูมิต่ํานี่เป็นกฎเทอร์โมไดนามิกนะครับแล้วก็ ถ้าเราเอามือไปถือน้ำแข็งไว้เราจะรู้สึก น, น้ำแข็งเนี่ยแผ่ความเย็นมาที่มือเราอแต่จริงๆแล้วคำว่าความเย็นเนี่ยมันไม่มีในทางเทอร์โมเดนิคนะอ่ามันจะมีแต่ความร้อนในมุมมองของเทอร์โมเดนิคเราจะมองว่ามือของเราที่อุณหภูมิสูงกว่าถ่ายทอดความร้อนเข้าสู่น้ำแข็งพ อ, องมือสูญเสียความร้อนเราก็รู้สึกเย็นแล้วความร้อนก็ทําให้น้ำแข็งเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว อ, อะไรแบบนั้นนะครับ เรื่องการเปลี่ยนสถานะนี่ก็ซับซ้อนอดถึ้งไปไว้ก่อนแต่อกลับมาที่ฮีตเอนจิ้นก็คือถ้าด้านบนเนี่ยมีความอุณหภูมิสูงมากด้านล่างตรงโต๊ะเนี่ยอุณหภูมิต่ํำความร้อนก็มีแนวโน้มที่จะไหลมานะจากที่อุณหภูมิสูงมาต่ํำสมมุติว่ามันแตกกันนะแต่ผมผมทำแยกๆไปงั้นแหละแต่ทีนี้ระหว่างที่ความร้อนมันจะไหลอ่ะถ้าเราเอาเอาเครื่องจักรตัวหนึ่งไปวางขั้นไว้ระหว่างความร้อนเรียกฮีตเอนจิ้นฮีตเอนจินเนี่ยจะทําหน้าที่เปลี่ยน ความร้อนที่ไหลให้กลายเป็นงานออกมาได้งานที่ว่าก็อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของลูกสูบหรืออะไรต่างๆนานา<อ>หรืออาจจะเป็นไฟฟ้าอะไรพวกนีเน้เหมือนเครื่องยนต์นรับเอาความร้อนมาผลิตผลิตงานให้เราแล้วก็เอางานพวกนี้มาใช้ต่างๆเป็นไฟฟ้าบ้างเป็นการเคลื่อนไหวของลูกสูบเป็นอะไรพวกนี้ Hat e n g จ n e นก็พบเจอได้มากมายแล้วทีนี้กฎเทอร์โมไดนามิกบอกว่า ความร้อนมันเข้ามาที่ฮิตเอนจิ้นปุ๊บมันจะออกไปเป็นเวิร์กเนี่ยค่ะมันจะต้องปล่อยความร้อนส่วนที่เหลือเนี่ยทิ้งไปยังแหล่งเย็นเสมอออืมันไม่มีทางที่จะเอาความร้อนเนี่ยถ่ายมาเป็นเวิร์คล้อยเซไม่ได้ผิดกฎฟิสิกส์ฮิตเอนจิ้นจะดีแค่ไหนจะประดิษฐ์อะไรอัจฉริยะโลกยัางไงาก็ตามจะต้องมีความร้อนส่วนเกินเหลือมายังแหล่งเย็นเสมอจะไม่ผิดไปจากตรงนี้เด็ดขาดหม่จะต้องมีความร้อนทิ้งออกมาค่ะตรงเนี้ย เสมอเลยนะครับซึ่งเครื่องจักรความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในเชิงทฤษฎีเขาก็นั่งคิดคํานวณกันมาคิดโดยคุณชื่อซาดิคานก็บอกว่าเครื่องจักรความร้อนจะต้องมีธรรมชาติแบบนี้แบบนี้ก็เขาเรียกว่าวัตถัตจักรความร้อนของคาโนอันนี้ก็ไปเรียนกันแล้วกันแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ประสิทธิภาพสูงที่สุดละนะแต่ประโยคเริ่มต้นบอกว่าอะไรนะคะไม่มีเครื่องจักรอะไรนะไม่มีเครื่องจักรความร้อนที่ทํางานได้ประสิทธิภาพร0อยเซจะต้องมีความร้อนเหลือทิ้งออกมาตรงเนี้ย สู่แหล่งเย็นเสมออใช่ซึ่งขอโทษนะคะที่เราทำมันมันมีรูกประธรรมให้เห็นไหมคะว่ามันมาใช้อะไรในเครื่องจักรในชีวิตประจําวันไหมคืออย่างน้อยๆเนี่ยการเขียนหรือดีไซน์เครื่องจักรเนี่ยเราไม่ต้องไปทางการออกแบบเครื่องจักรให้มันเกิดประสิทธิภาพร้อยเปอร์เ็ต์มันเป็นไปไม่ได้ออย่างแรกเลยคือพวกกฎเหล่าเนี้ยคืออย่างนี้มีคนบอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยทําให้เราเห็นความเป็นไปได้มากมายค่ะ ผมกลับมองด้วยว่าวิทยาศาสตร์นะ่ะมันทําให้เราเห็นว่าอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วพอเราเห็นว่าอะไรเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทําำเราก็ไม่ต้องเสียแรงเปล่าไปกับการสร้างเครื่องจักรที่ผลิตพลังงานออกมาจากความว่างเปล่าซึ่งมันขัดกับกฎข้อที่หนึ่งหรือดีไซน์เครื่องจักรความร้อนที่จะมีประสิทธิภาพร0อยเอซอะไรแบบนั้นนะอ อ, อันนี้คือพลังของกฎฟิสิกส์อย่างหนึ่งเลยน ะ, ะแล้วก็ช่วยในการคํานวณช่วยอะไรอันเนี้ย อ๋อแล้วก็เครื่องจากความร้อนที่มันทํางานย้อนกลับอ่ะมันก็ทํางานได้นะคือมันก็จะดึงความร้อนจากแหล่งเย็นออกไปทิ้งในแหล่งร้อนรู้ไหมอะไรแอร์แอร์ไงใช่ห้องเราเย็นกว่าข้างนอกมันก็ยังดึงความร้อนออกไปทิ้งให้เราอยู่แบบเนี้ก็ใช้หลักการเทอร์โมดินามิกใช่เป็นฮิตเอนจินแบบรีเวิร์สตู้เย็นอย่างเนี้ยใช่เลยเนาะใช่ไหมดึงความร้อนจากแหล่งเย็นไปทิ้งแหล่งร้อนนะฮะแล้วยังไม่จบนะกฎข้อ2ของเทอร์โมดินามิกเนี่ย ยังมองในรูปแบบของเอนโทรปีได้ด้วยเอนโทรปีเนี่ยเคยเล่าไปบ้างแล้วเอนโทรปีเนี่ยเป็นปริมาณที่บ่งชี้ถึงความไร้ระเบียบความยุ่งเหยิงของระบบนะครับไอ้ตรงเนี้ยถูกต้องแน่นอนหนังสือลงหนังสือเรียนอะไรเขาใช้ใกันเพียงแต่ว่าการจะนิยามว่าอะไรคือความยุ่งเหยิงความเป็นไร้ระเบียบเนี่ยตรงนี้ก็ต้องนิยามให้ชัดเจนเนา ะ, ะแต่ตรงนี้ก็ไปเรียนเอาล้วกันนะแต่หลายๆตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆนะครับเช่นแก้วที่มันแตกเนี่ยมันก็มีเอนโทรปีสูงกว่าแก้วที่ ที่ยังไม่แตก่าเงี้ยคือความ dis order ของแก้วที่มันกแตกกระจายออกมาโหมันมีรูปแบบกระจายได้หลากหลายมากมายมันเป็นระบบไร้ระเบียบอะจำจำได้จําได้เลยว่าตอนที่พี่ป๋องแปงเล่าเรื่องเอนโทรปีอะยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างห้องห้องของพี่บ๋องแปงงที่แบบว่ามีแนวโน้มจะสับสนวุ่นวายได้เองแล้วก็แม่ก็ไม่ถูกกับเอนโทรปีนี้เราเลยเห็นภาพเราเอาตัวอย่างแก้วดีกว่าคือเอนโทรปีเนี่ยคือความสับสนวุ่นวายนะความไร้ระเบียบของระบบเนี่ย ในระบบปิดนะฮะเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นนะฮะในกระบวนการต่าง ๆ, ๆมันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอืนะในเอกภ พ, พของเราซึ่งเป็นระบบปิดเนี่ยเอนโทรปีจะเพิ่มขึ้นได้เองยุ่งเหยิงเองอย่างนี้เหรอความยุ่งเหยิงมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยอัตโนมัติเป็นไปเองโดยธรรมชาติของของธรรมชาติของเอกภ พ, พแก้วเนี่ยถ้าผมดีดให้มันแตกเนี่ยโอ้โหมันง่ายมากเลยที่จะทําให้แก้วสักใบแตกเพล้งออกมา แต่ถ้าแก้วกระจายแตกออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ย้อนกลับง่ายๆนะต่อให้ใผมเอาเสียงเพลงอัดไว้เนี่ยเปิดใส่มันแล้วก็โยนมันเท่าไหร่ก็ตามเศษแก้วเหล่านี้ไม่ได้กลับไปรวมล่างกันได้ง่ายๆแม้ผมจะใส่พลังงานเข้าไปอนี่ยใช่ไหมความไร้ระเบียบเนี่ยมันควบคุมทิศทางการเปลี่ยนแปลข ง, งของเอกภพให้มันไร้ระเบียบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ ม, ม, ม, มขึ้นได้เองอเข้าใจและเหมือนกับว่ามันแตกไปแล้วอ่ะก็ย้อนกลับมาไม่ได้โอ้โห แอืย้อนกลับได้นะแต่จะต้องใส่ความร้อนเข้าไปทํางานทำอะไรคินซึงิอะไรอย่างนี้นะรู้จักไหมคินซึงิคือศาของการผสานแบบแก้วเซรามิกที่แตกแล้วให้กลับมาอีกครั้งเป็นปัตญาญี่ปุ่นมาแต่โอเคแต่มันต้องใช้ใช้งานใช้ความเหน็ดเหนื่อยของช่างของอะไรเงี้ยกว่าจะประสานมันกลับมาได้ต้องพยายามะใช่เยอะมากดังนั้นก็นี่แหละ ความไร้ระเบียบก็จะไปกองอยู่ที่อื่นแทนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งเอนโทรปีเนี่ยคือการอธิบายกฎข้อที่ใ2ในอีกมุมหนึ่งในอีกมุมหนึ่งว่าในเอกภพในระบบปิดอะไรพวกนี้เอนโทรปีมันมีแนวโน้มที่จะถ้าไม่อยู่เท่าเดิมมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะฮะมันในกระบวนการต่างๆความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเอนโทรปีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอกภพเราเอนโทรปีมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีลดลงเลยถ้าเอนโทรปีของอะไรเล็กๆสักอย่างหนึ่งมันลดลงเนี่ยขอให้รู้ว่ามันไปเพ แต่ทีนี้จะสงสัยว่าเอกรพบมันดูกว้างใหญ่มันทำไมถึงเป็นระบบปิดนะคะคือระบบปิดเนี่ยในที่นี้คือปิดต่อการถ่ายเทความร้อนนะฮะคือถ้าเราซีลอะไรสักอย่างหนึง่งให้มันไม่ถ่ายเทความร้อนเข้าวความร้อนออกเนี่ย น, นี่ก็เป็นระบบปิดต่อความร้อนได้หมดนะถึงแม้จะอยู่ในสมมุติกล่องเก็บอาหารของเราอันนี้ก็ <c oughs> ระบบปิดสมมติสมมติมมตว่าในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยการถ่ายเทความร้อนมันเกิดน้อยมากก็อาจจะบอกได้ว่าในช่วงเวลานั้นมันเป็นระบบปิดที่ดีนะแต่เอกรพบของเราเนี่ย มันคือทุกอย่างเราไม่พูดอะไรที่อยู่นอกเอกภพดังนั้นเลยเอกภพมันปิดอยู่แล้วมันเป็นปิดทึบในโดยนิยามของตัวเอกภพเองอในโดยนิยามของตัวเอกภพเองซึ่งมันคือทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนระบบปิดที่ไม่มีอะไรรั่วนไหลออกไปนอกเอกภพ ม, มันไม่มีคอนเซปต์ของนอกเอกภพนะฮะดังนั้นเอนโทรปีของเอกภพก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติของเทอร์โมเดนิมิกมันมีโจทย์บางข้อด้วยนะของเทอร์โมเดนิมิก ถ้าเราเอาตู้เย็นเสียบปลั๊กไว้มาเปิดไว้ในห้องสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยแอร์เครื่องหนึ่งราคาแพงมากผมก็ต้องอาศัยอยู่โดยไม่มีแอร์มาตั้งแต่เด็กน ะ, ะทุกวันนี้เราอาจนึกไม่นึกภาพไม่ออกอนะแต่คนที่แบบเกิดมานานก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ทีนี้ผมก็เกิดไอเดียไว้คิดว่าเฮ้ยบ้านมีตู้เย็น ทำไมไม่เอาตู้เย็นมามาเสียบปลั๊กในห้องนอนแล้วเปิดประตูตู้เย็นวะอืมแล้วทํำไหมคะแล้วไม่ทําแม่ไม่ทำซึ่งแม่ก็ดีแล้วล่ะทีนี้ผมก็เกิดความคิดว่าถ้าเปิดแล้วทําแบบเนี้ยห้องมันก็ต้องเย็นสิถูกปะมันก็ต้องเย็นเพราะว่าตู้เย็นมันทําให้ตู้เย็นมันเย็นนเพิ่มเปิดออกมามันน่าจะเย็นใช่ท้องฝังว่าช่วยไหมแต่ว่าแต่ว่าอุณหภูมิข้างนอกมันน่าจะร้อนข้างนอกตู้เย็นใช่ไหมใช่ข้างนอกตู้เย็นมันร้อนกว่าใช่ไหมคะ แล<ช>้วมันก็ไม่เพียงพอปะที่จะไปกลบความร้อนนั้นอ่ะจริงๆแล้วการเอาตู้เย็นมาไว้ในห้องเนี่ยแล้วเปิดประตูนะความเย็นที่ออกมาเนี่ยมันเกิดจากฮีตเอนจิ้นรีเวิร์สของตู้เย็นใช่ไหมมันดึงความร้อนออกไปทิ้งข้างหลังค่ะซึ่ ง, งก็ออกคืออยู่ในห้องเราอยู่ดีใช่เราดูการทำงานของของเครื่องจักรแบบย้อนกลับมันดึงความร้อนออกมาจากแหล่งเย็นมสมมติก้อนเทากำปั้นเนี่ยะนะ แล้วเราก็ต้องมีงานจากใบพัดจากอะไรต่างๆของตัวตู้เย็นเนี่ยเท่ากับปั้นเนี่ยดึงไอ้ก้อนเนี้ยออกมาทิ้งแต่ถอนออกมาทิ้งมันไม่ได้ทิ้งแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวไอ้งานตรงนี้ก็ออกมาทิ้งด้วยดังนั้นความร้อนเนี่ยยังไงก็ต้องเยอะกว่าเสมอเพราะมันมีความร้อนจากงานจากการทํางานของใบพัดของตัวดึงตัวอะไรพวกนี้นะดึงออกมาตอนแรกดึงออกมาความร้อนดึงออกมาแค่ก้อนเดียวแล้วตัวใบพัดเนี่ยมันก็ทํางาน ออกมาทิ้งกลายเป็นสองก้อนอดังนั้นข้างหลังคอยของตู้เย็นหรือแอร์เนี่ยความร้อนมันเพิ่มขึ้นมากกว่าความร้อนที่ดึงออกมานะดังนั้นถ้าเราเปิดตู้เย็นไว้ในห้องเนี่ยแล้วกวนอากาศไปเรื่อยนานพอนะครับสุดท้ายแล้วห้องก็จะอุ่นขึ้นโดยรวมเพราะว่าคอยมันอยู่ในห้องเนี่ยแหละแม่วันนั้นแม่ไม่ทำเพราะแม่เข้าใจหลักการนี้เป็นไปได้ <laughs> โอเคครับทีนี้เมื่อกี้เราน่าจพอพอเข้าใจ คอนเซปต์บางอย่างแล้วก็เห็นภาพของเทอร์โมไดนามิกส์ในเหตุการณ์ที่มันลิงก์กับเครื่องจากลิงก์กับอะไรในชีวิตประจําวันบ้างแหละแต่ทีนี้เทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยใช้ศึกษาในระดับของเอกภพด้วยไหมคะด้วยคือเพื่อนผมเนี่ยเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์เขาพูดติดตลกนะฮะว่าอะไรที่มันอยู่ดีๆศาสตร์อะไรของมันที่ฟิสิกส์เขาก็ศึกษากันดีอเอาเทอร์โมไปจับทีไรเนี่ยมันยากสุดๆดไปเลยอะไรแบบนั้นนะมันยากแบบ แต่แต่เขาก็ต้องทําสุดท้ายเขาก็ต้องทำนะ oh. เ, เพราะว่าพอทําแล้วมันมีงานวิจัยออกมาไอ mm hmm. ้อย่างเพื่อนผมเนี่ยศึกษาหลุมดำ mm hmm. นะหลุมดํานี้เขาก็ศึกษากันมาโดยตลอด <Huh. S 1> แต่เขาไปมองว่าหลุมดำเนี่ยเป็นฮีตเอนจิ้นอย่างเงี้ยเออมัน mm hmm. มีมุมมองบางอย่างที่สามารถให้หลุมดำเนี่ยเป็นเครื่องจักรความร้อนแล้วก็ไปศึกษามันในเชิงเทอร์โมเงี้ย mm hmm. ก็มีงานวิจัยเชิงนี้ออกมา mm hmm. หรือมองเอนโทรปีของหลุมดําแบบแปลกๆใหม่ๆแบบเนี้ย mm hmm. แต่ถามว่าศึกษาอะไรเกี่ยวกับเอกภพเนี่ย เทอร์โมไดนามิกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกศรของเวลาอย่างชัดเจนอันนีไ้ไว้เล่าให้ฟังแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างกับธรรมชาติของเวลาธรรมชาติของเอกภพทั้งในตอนเกือบกําเนิดของเอกภพทั้งตอนจุดจบของเอกภพว่าสุดท้ายแล้วเอกภพเนี่ยมันจะมีธรรมชาติเชิงความร้อนยังไงความร้อนมันจะกระจายทั่วถึงแบบไหนอย่างไรมันจะค่อยๆเย็นลงมากขึ้นดาวต่างๆจะห่างออกันมากขึ้นแล้วค่อยๆตายแบบเย็นลง หรือจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้อันนี้เป็นธรรมชาติในภาพรว ม, มซึ่งก็มีคนศึกษาอยู่บางทีเขาก็ศึกษาอย่างที่บอกก็คือไปจับตามด้านต่างๆดูว่าในเชิงสัมพัทธภาพพิเศษจะเป็นอย่างไรในเชิงมองหลุมดําเป็นฮิตเอนจิ้จะเป็นยังไงบางทีก็มองว่าจริงๆทุกวันนี้ก็เริ่มอยู่ในบทเรียนแล้วก็คือว่าถ้าเรามองธรรมชาติของเทอร์โมเดนัมิกในลึกถึงในระดับโมเลกุลแล้วก็จะเริ่มเรียกศาสตร์นี้ว่า Stati สติคอลแมคคาณิกส์หรือกลศาสตร์เชิงสถิติ Oh. ใช่ซึ่งอันเนี้ยเทอร์โมเดนิมิกว่ายากนะ <Ha. S 2> ตัวนี้ผมใช้คำว่าเลวร้ายเ <laughs> พราะมันเกี่ยวก้องกับสถิติซึ่งก็นั่นแหละก็จะมองอะไรที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกตัวแปรต่างๆก็จะมองอะไรที่มีความลึกกว่ากฎของเทอร์โมเข้าไปอีกอะไร <Ha. S 2> แบบเนี้ยนะแต่ถ้าถามว่าโมเดนยุคใหม่จริงๆเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตนะแต่ก็ไปอ่านมานิดหน่อยว่าเทอร์โมเดนิมิกเนี่ยทุกวันนี้เขาก็เริ่มมองนในเชิงของสิ่งที่เรียกว่าอินฟอร์เมชันเทอร์ี คือมองตัวแปรทางเทอร์โมต่างๆว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นพื้นฐานอาจจะเป็นเรื่องของ Information อินฟอร์เมชันเป็นเรื่องของบิตของอะไรพวกนี้ก็<ฮ>สำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ก็ไปอ่านประวัติของคุณคลอสชนน์นะครับเขาเป็นคนบุกเบิกเรื่องอินฟอร์เมชันท e อรีเป็นการนิยามเอนโทรปีในแบบ Generalize ลคือเอนโทรปีแบบที่เรียนกันในห้องเรียนเนี่ยมันจะเป็นแบบของคุณรุดูิกบสแมนนะครับคนนี้ก็ นิยามขึ้นมาแบบนี้อะไรเงี้ยหลังๆก็มีการปรับเปลี่ยนเอนโทรปีให้มันมีความเป็นทั่วไปมากขึ้นเป็นแบบของคุณคลอดแช่นอนออืมครับพอพอคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วฟางเห็นด้วยกั บ, บปรจโยคเยมาด้วยแล้วก็ระหว่างที่เมาเราก็คิดขึ้นมาได้ว่าเห็นด้วยกับที่พี่บ่งแปงพูดตอนต้นว่าหลังจากที่เราได้รู้จักเทอร์โมไดนามิกแล้วเราก็ไม่เข้าใจอุณหภูมิเลย <laughs> <laughs> ฟังว่ามันน่านนะจะถูนเป็นประโยคที่ถูกต้องแล้วค่ะ <laughs> <laughs> เป็นบทสรุปของเอพิโซดนี้ครับ เข้าใจที่ไม่เข้าใจเราขาดตกประเด็นไหนไปเพิ่มเติมไหมคะโน no. โอเคงัค้นปิดจบเลยนะคะงั้นฟังข อ, ขอจบแบ บ, บญญนี้เลยโอเคค่ะก็สำหรับในในโลกรองฟิสิกส์เอนนี้นะคะใครเมาหมัดหรือว่าใครกำลังแบบ มีคำถามทั้งครูช่วยเมนท์มาหน่อยฟังอยากรู้เลยค่ะว่าฟังไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยทุกคนต่อยอดหรือว่าคิดถึงอะไรกันต่อได้บ้างนะคะแล้วก็ใครที่ชอบรายการของเรานะคะฝากกด subscribe นะคะกดกระดิ่งยูทูบชาแนลของเดอะสแตน a า d ์ด d อดแคสต์แล้วก็ถ้ากดแล้วชวนคนในครอบครัวกดด้วยนะคะจะได้มีคนมา s u b ครสมาชเราเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยแล้วก็อย่าลืม follow นะคะตัวทิกต o k ใหม่ของ The Standard Podcast เดอะสแตนดาร์ดพอดแคสต์ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมาไหมตอนนี้เมามากใครเลือกนะคะเรื่องนี้ผมเชียร์ตอนนี้เพราะว่าผมอาหารพอดีพอดีมานั่งอ่านก็ไม่รู้ทำไมแล้วนะแต่ว่าพี่ผมไใบงานอธิบายให้เห็นภาพได้ดีมากเลยค่ะกราบขอพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณคือถ้าไปอ่านเองในเน็ตก็คงแบบตายไปเลยอะไรนี The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears